วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนพุทธศักราช2556ห้าห้าแรมสองค่ำเดือนเจ็ดพระทั้งหมด3าสิรูปลงมาชั้นย7สิบเจ็ดงดสิบสองสัมมาเนนหนึ่งนาคสองแล้วก็ นี่กระจวนจะเข้าพรรษานะคณะสัทธ า, ญญาติโยมลูกหลานพระเนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะข้างในให้ช่วยกันตรวจตราความพร้อมที่พระจะจําบันษาให้ดูกุฏิหลังไหนห้องน้ำที่ไหนถนนหนทาง ที่ไหนทางเดินจงกลมที่ไหนที่พวกเราจะจําพรรษาให้ช่วยๆกันคิดสรุปแล้วไม่ใช่ให้หลวงพ่อคิดนะให้พวกเราช่วยกันคิดพาคณะสัตยา ญ, ญาติโยมพระเนรพระของเรานั่นแหละพอที่จะไปช่วยขนดินญาติโยมกับเป็นคนุ้นคนเอาดินขึ้นมาเราก็ใส่กระป๋องใส่อะไร ปกแต่งทางแต่งจงกลมพระต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นพระต้องทําเป็นขนาดนกหนูปูปีกก็ยังทํารังตัวเองเป็นเป็นพระทั้งองค์ทําอะไรไม่เป็นเป็นพระประเภทไหนมันไม่ใช่พระที่รู้จกักการพัฒนารู้จักการปก ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ถ้าปรับปรุงแก้ไขจนเกินไปก็ไม่ไม่ถูกอีกเหมือนกั น, นเกินเออมีอะไรก็ขอดะไปหมดเพื่อเอามาสร้างเสนาสนะของตนเองอันนั้นก็ไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่แต่พอที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบอตรงไหนที่มันมันรั่วจะเอาสังกสีเศษมา ปะมาชวนมาดูจะทำยังไงเป็นไหมอันนี้แหละมันก็ต้องฝึกหัดในการดูแลเมื่อกลุลงปู่ชาท่านเคยพูดปู่ชาน้องป่าพงน่ะท่านพูดในเทปหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อท่านพูดตรงมากพระองค์หนึ่งเขาบอกว่าผมภาวนาผมปล่อยวาง ผมนั่งอยู่ในกุฏิฝนจะร่วงผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมฝึกหัดในการปล่อยวางหลวงปู่ชาบอกว่าปล่อยวางแบบควายควายโง่ไม่รู้จักกระทั่งพัฒนาไม่ใช่ดูว่าสิ่งควรไม่ควรเขาไปนั่งกุฏิฝนตก ลงมาลวกก็ยังปล่อยวางนั น, นะปล่อยวางแบบควายใช้ไม่ได้พุทธะมันต้องรู้จักอันไหนควรไม่ควรอย่างไรปล่อยวางอย่างไรจะยึดอย่างไรจะดาเนินการอย่างไรอันนั้นต้องมันต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบทุกอย่างไม่ใช่ว่าคาว่าปล่อยวางคำนี้ก็ปล่อยปะแลวเลยผ้าเขาไม่นุ่งผมก็ยาวๆเนี่ยนันเป็นประเภทไหนล่ะเจนะ เขากะว่าบาในะปล่อยวางแบบบาในชะ่เนะพราะนั้นเราจะเอาอย่างนั้นเหเรอหรอจะปล่อยวางแบบผู้มีสติผู้มีปัญญาดนะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองคนะช่วยกันดูนะนะเพื่อดูแลเตรียมเนสนาชนะปีนี้คิดว่าพระคงจะมีมากพอสมควรแต่มีพระมีมากกับพระเก่าก็อยู่ห่าง ถ้ามีพระที่มีอายุพรรษาเราควรเสียสละให้ผู้อยู่มีอายุให้อยู่ใกล้น้อยอันนี้ก็คือพยายามหลอกปลีกให้กันมีเมตตาต่อกันให้มีเมตตาต่อกันดีนะแต่ถ้าไม่มีเมตตาต่อกันเห็นแก่ตัวมันเดือดร้อนการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ําใจต่อกันต้องมีเมตตาต่อกัน มีใช่ว่าทําอะไรกันไปแกล้งกันโมโหโกหกทาให้กับกันเหมือนกับตัวเองจะอยู่ในโลกในโชวคว้าดินสลายนะอันนั้นคิดแบบโง่อยู่แบบโง่ถ้าอยู่แบบฉลาดแล้วก็ต้องนี่ยนละรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักความเมตตาอารีซึ่งพึ่งพาอาศัยกัน อ, อีกไม่กี่ปีหนึ่งพวกเราก็จะล้มหายตายจากกันไปแล้ว ไม่ใช่พอออกจากวัดหลวงพ่อไปเลยก็บ น, นุ่นอไปคึงแต่กันอยู่นุ่นน่ะสมัยอยู่ไปอยู่วัดหลวงพ่ออินน่ะนุ่นอ่ะทะเลาะวิวาทกันกัดกันเหมือนหมาฮะอไม่ดียังคนไม่ดีอย่างเนี่ยมองแต่คนอื่นว่าไม่ดีอกิเลสตัวเองไม่มองกิเลสภายในใจของตัวเองไม่ดูอมันจะดีได้อย่างไรมันต้องดูใจของตนเองอพระุกองค์นะ ให้ทุกอง์ให้สํารวมระวังที่หลวงพ่อพูดทางนี้หลวงพ่อเคยเป็นพระน้อยพหนุ่มเคยเป็นเนนมาแล้วแล้วก็เป็นเนนมาอีกเป็นพระมาอีกแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์สมพวกท่านทั้งหลายสมมุติว่าวเป็นครูบาอาจารย์ของพวกท่านทั้งหลายเป็นหัวหน้าเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวเคยผ่านมาอย่างไงเคยมีประสบะการณ์มาอย่างไรเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ปฏิบัติตนอย่างไรเคยดูแลเสนาฐนะอย่างไร เ, เวลาเวลาพระเนนเข้าม า, เ, าเข้ามาบวชทํำยังไงคณะสัตย า, าญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละชุดแต่ละมู่ เ, เข้ามาพักผ้าใสยในวัดท่านก็ให้พระในวัดนะอย่างพวกเราเนี่ยนะอางหลวงพ่อเนี่ยนะท่านก็ให้ดูแลแต่จะให้ท่านมาลงมาดูแลทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ ท่านก็ให้ลูกๆนี่แหละลูกๆที่ลูกเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะดูแลได้พวกเราก็ได้ทาร่ลูกต้องรับผิด ช, ชอบต้องดูแลขาดตกบกพร่องถ้ามีอะไรก็กราบเรียนท่านถ้ามีปัญหากราบเรียนท่านเพราะท่านเป็นเจ้าของเราจะไปตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องกราบเรียนท่านห่วเรื่องนั้นเอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างงาั้นครับผมท่านก็เอ อ, เ อ, อให้ทาอย่า ง, งานั้นทำอย่างนี้นะ เราก็ปฏิบัติตามที่ท่านบอกท่านสั่งทอมเป็นสำนักหรือว่าท่านเป็นผู้ปกครองนี่แหละอันนี้คื อ, คอเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยิ่งมาอยู่กับหลวงตาใช่ไหมไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเรามาอยู่เพื่ออะไรเราออกมาแล้วเนี่ยเป็นไงหมู่พวกเพื่อนต่างองค์ก็ต่างไปต่างองค์ก็ต่างมีวัดวาศาสานาต่างองค์ต่างมีลูกศิษย์ลูกหาต่างองค์ก็ต่าง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามความสามารถของแต่ละองค์ฮะนี่ยแหละในเมื่อออกไปแล้วอย่างนั้นเหตุสมัยเมื่อเราอยู่ด้วยกันเห็นกันแล้วก็คว้างขึงใส่กันเหมือนกับปลากัดไงไปได้อย่างไรมันต้องมีเมตตาต่อกันมันต้องมีน้ำใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันต้องฝึกฝนใจของตนเองจึงจะถูกอ่าเพราะนั้น พวกเราทุกองนะก่อนที่จะเข้าพรรษาเดือนหนึ่งให้ช่วยๆกันดูเอาพวกผู้สูงอายุในหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอยู่แล้วแต่ก็เน้น่ะพาไปทำกุฏิล้างนูน้นล้างนี้พัฒนาถ น, นนหนทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เน้นทางเดินจงกรม่นะทางเดินจงกรมเอาดินขึ้นมากับพวกพระเลยนะขนดินช่วย แล้วก็เกียร์เกียร์แล้วก็ปับ๊บทางเดินจงกลมแล้วก็หญ้าที่มันเกิดข้างทางเดินจงกลมจะจะเป็นสาเหตุให้งู เ, เข้ามาหาพระตะขาพเข้ามาหาพระกัดพระขณะที่เดินจงกลมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูให้เรียบร้อยแล้วก็กุติแต่ละหลังารางน้ำเป็นยังไง มีกิ่งไม้เฟือยมาหาหลังคาไหมที่มดจะไต่เข้ามาแล้วก็น้ามันที่หล่อเลี้ยงต้นเสาวไว้นะ่ะเป็นยังไงแห้งไหมถ้าแห้งเราก็ต้องเอาน้ามันใส่เรียบให้เรียบร้อยจากนั้นก็กุฏิมันเป็นยังไงมีมดไหมถ้ามีมดมันมดมันอยู่ที่ไหนเราก็พยายามไล่ แล้วก็ทำความสะอาดปัดกวาดให้เรียบร้อยเป็นผ้าเป็นอะไรที่ของพระรุ่นเก่าที่ท่านอยู่ไปแล้วท่านคิ้งไว้เราก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เป็นไงจะใส่คุญแจไหมเราก็ตูรูพวงคุญแจสายอยู่ของกุญแจทำเราทำเป็นไม้ก็ตามไม่จริงน่าจะทำได้ของเล็กๆน้อยๆเหล่านั้น กก็มีพวงกุญแจแล้วก็เอากุญแจให้เพราะพระบางองค์ที่มาจำพรรษาบางทีอาจจะมีสมบัติบ้างเล็กๆน้อยๆที่ท่านเอาไว้ที่กุฏิของท่านถ้าไม่มีกุญแจท่านก็คงวิตกกังวลเป็นห่วงสมบัติของท่านที่ที่มากับท่านถ้ามีกุญแจซะมอบให้กุญแจให้ท่านกุญแจ ดอกหนึ่งก็ไม่เท่าไรหรอกให้ท่านดูแลรักษามันก็สบายใจการภาวนาก็ราบรื่นมันมีไม่มีมมมมอุปสรรคสิ่งเหล่านี้หรอของเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆเหล่านี้แ่ะถ้าว่าพวกเราเป็นผู้มาอยู่ก่อนผู้ได้รับการศึกษาได้รับการได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่ อ, อพวกเราก็จะปฏิบัติตนถูก แล้วพวกท่านทั้งหลายไปอยู่วัดอื่นนี่สิออกจากวัดหลวงพ่อไปนียสิะพวกท่านทั้งหลายจะคิดถึงคําพูดของหลวงพ่อน่ะไปอยู่ที่ใดเออใช่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังขราวนั้นครั้งนั้น เ, เมื่อได้ยินเนี่ยบางทีก็เหมือนกับไม้มแย่หูไม่ใช่ไม้แยงธรรมดานะเอาหนามเขาแยงเข้าไปในหูนะไม่อยากฟังฮะแต่มาถึงคราวนี้เออใช่หลวงพ่อหลวงพ่อ ของเรานี่หลวงพ่อละเอียดจริงๆหลวงพ่อรอบขอบให้ใจะว่าที่หลังนะหรืออาจจะโมโหโก้ท้าให้อีกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววะเพราะมันลูกไม่หลายคนใช่ไหมแนวความคิดมากหลากหลายเพราะนั้นหลวงพอ่อในฐานะที่เป็นหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาของพระของเนนสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ก็แนะนําพรมสอนบอกกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อ บวกพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าพอหลวงพ่อเนี่ก็อายุถึงขนาดนี้แล้วจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ต่อไปก็ฝากความรอบครอบฝากพระพุทธศาสนาฝากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนให้สืบทอดกันไปนานเท่านานเหมือนกับยุค ข, ของหลวงตา ลงตาท่านเกิดรักษาเหมือนกับบ่อน้ําที่สะอาดอย่านั้นอ่ะพระธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้าเนะี่ยเป็นบ่อน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เออทั้งอาบทั้งกินทั้งอะไรเออมิตรเป็นน้ําที่ไม่มีเกลือด่างเออไม่มีมลทินเป็นน้ําที่สะอาดช้าล้างกิตใจของผู้ที่เข้ามาแล้วบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ได้จะเปรียบ เพียบเหมือนน้ำทางนอกกัเหมือนน้าบ่อที่มันไหลออกมาลงตาลงกูมันท่านก็รักษารักษาบ่อน้ำํำลงตาธรรมมาท่านก็รักษาให้พวกเราได้อยู่ได้กินแต่พอถึงพวกเราพวกเราก็ต้องรักษาต่ออีกเพื่อจะให้พวกรุ่นน้องๆลูกหลานได้อยู่ได้กินรักษาบ่อน้ําที่สะอาดต่อไปรักษาไปเรื่อยๆบ่อน้ําก็นั้นก่อน สะอาดเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทางหลายไม่เห็นคุณค่าของบ่อน้ำนะแล้วก็เป็นคนเกเรอีกต่างหากมุทะลุอีกต่างหากอารมโมโหโกธาอีกต่างหากขี้อิจฉาอีกต่างหากสรุปแล้วก็คือโลภโกรธหลงเต็มหัวใจในพระในเนร ใ, ใ, ในอุบาสกอุบาสิกาในยกนั่นๆพ่ออมพากันเห็นบ่อน้ํำเป็น อริเป็นศัตรูเป็นเออิจฉากันกลัวคนอื่นจะได้อยู่ได้กินอีกต่างหากพอมพากันเห็นแลกันทุยน้ําลายลงไปเอทิอ้งอุจจาระปัสสาวะลงไปเ อ, อของโสโครกลงไปเอผลที่สุดบ่อน้ําก็ตื่นเขนินมดน้ําที่จะไหลออกเพราะมันเต็มไปด้วยสกรปรกใครก็ใช้ไม่ได้ช้ยอผลที่สุดนั่นแหละเป็นยังไง น้ําที่สะอาดก็หมดไปนี้ก็เหมือนกันการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราช่วยกันรักษาทำคําสอนก็อยู่นานเท่านานพวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติก็ร่มเย็นเป็นสุขกันท่วนหน้าแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ทํำร้ายทำลายมีแต่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขีนะ้โยนลงไปในบอ่อในแหล่งน้ําแหล่งน้ําก็ศกกรปลก เมื่อสกปรกแล้วทํำยังไงใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้นะั่นแหะโลกทางโล ก, กเห็นกันก็นเหมือนกับหมาเห็นหมาอะไรกัวไ น, นกัดกันหญิงเขี้ยวหญิงฟัน อ, อขนาดเป็นพระก็ยังจะไปหาหญิงเขี้ยวหญิงฟันกันไม่ได้นะมันต้องมีเมตตานี่แหละอันนี้แหละชือหลักหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โอวาทแนะนําสั่งสอนพวกเราคิดดูซิ ที่พูดมาทั้งหมดนี่คิดดูสิมีเหตุผลไหมถูกต้องไหมเป็นทํามไหมถ้าผู้มีปัญญาก็ต้องคิดหาเหตุและผลถ้าหากว่าคิดดูเหตุผลแล้วไม่เห็นด้วยก็บอกมาบอกเลยเขียนเป็นจดหมายมาก็ได้รุ่นพอยินพูดวันนั้นตอนเชานะ้าน่ะผมไม่เห็นด้วยนะใครมีเขี้ยวยาวก็ากัดกันเลยถ้ามีเล็บยาวก็ตำ บ, บัต ฟัดกันเลยใครมีมัดมีมวยก็เอากันเลยนี่มันอย่า ง, งงาั้นพึงจะเจริญรุ่งเรืองมันจะต้องได้เรียบเรียงระ ว, วังเต่อกันถ้าอ่อนน้อมต่อกันในลักษณะปวกเปียกผมไม่เห็นด้วยเอาอย่างนั้นเหรอเนี่นี่แหละสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดทั้งนี้ให้ฟังให้มองทั้งสองเล่สองเหลี่ยมทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ําทั้งดีทั้งชั่วพูดง่ า, งงายๆมองทางดีมองยังไง มองทางเลวมองอย่างไงเราจะเป็นคนดีแล้วเราจะเป็นคนเลวเราจะเป็นพระดีแล้วจะเป็นพระเลวนะาจะเป็นโยมดีแล้วจะเป็นโยมเลวเรามาเกิดมาทั้งทีชีวิตนะได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่าจะภาคภูมิใจอย่างมากเพราะเหตุใดเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรามีแต่ให้อัดให้ทำ เปิดฟังเมื่อเมื่ อ, อไรธรรมเทศนาของท่านเมื่ อ, อไรทำมาลกธิดของท่านอ่านศึกษาเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นนะ่ะใจของเราได้รับความสงบปล่อยวางใช้ปัญญามองโลกไปในทางที่ไปในทางที่ถูกต้องไม่มองโลกในทางในทางลบแล้วก็ไม่มองโลกทางเป็นทางบวกทีเดียวเพราะโลกนี่มัน มีทั้งบวกมีทั้งลบอยู่ในนั้นมีขั้วบวกมีขั้วลบอย่างคุณแม่ชีแก้วพูดโลกนี้โลกหาได้อ่ยเราจะหาบวกหรือเราจะหาลบเราจะหาดีหรือเราจะหาชัว่วเราจะหาประเภทไหนเราหาได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษ า, เ, าเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเราควรจะหาสิ่งที่ดีเนีไม่ใช่เรา เกิดมาแล้วมีเพชรนินกินดางเงินทองและกองผลนเร า, านน่นไปเอาของเร็เวๆขี่ไหนตวขี้ไหนขี่ตะกัวขี่ขั้งขี่อะไรามาใส่พกใส่ห่อของตัวเองเอมันไม่น่าจะถูกนะ เ, เราต้องหาของดีๆมีกุณภาพเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา พวกเรายิ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะควรจะหาอัตหาธรรมควรจะมองใจของตนเองไม่ควรจะมองออกไปข้างนอกอเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องออข้างนอกนะมันไม่อดไม่อยากนะพอเป็นพอไปอยู่นีนะ้อาหารการบริโภคถ้ากินวันนี้ไม่อิม่มกับวันพุ่งนี้มีอยู่แล้ววันต่อไปก็มีอยูนะ่อาหารในวัดของเรามีเพียงพอเราต้องการอะไร จากนั้นก็ถึงหยกยาโายครคภัยไข้เจ็บอ้าวมีหมอมีพยาบาลเพอเพยังดีกว่าชาวบ้านไปอีกต่างหากเพราะเขาเคารพนับถือเลื่อมใสพระสงฆ์เขาก็อยากได้บุญกับพระเขาก็ดูแลเราอีกไปเราไม่ได้ไปนอนห้องรวมกับพี่น้องลูกหลานเราห้องนอนห้องพิเศษในเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยพราเราเป็นพระ เขาก็ถือว่าเราเป็นพระเขาก็ให้เกียตรติเพราะว่าเขานับถือภาคการสาวพัฒถือว่าเป็นพุทธศาสนาศรัท ธ, ธาญาติโยมหมอทั้งหลายเขาก็ถือว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนเขาก็ให้ความเคารพพระสงฆ์เพราะฉนั้นเราพระสงฆ์ไปที่ไหนเขาก็ให้เกียตรติเขาผลิตทางให้เขาก็ให้ด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใส แต่ตัวเองเนี่ยจะมองตนเองบ้างเอไปที่ไหนก็นเหมือนกับตัวเองไม่เป็นพระไปนั่งคุยกับเขาบ้างไปทำตันเหมือนกับฆราวาดบ้างคือยุบตัวลงไปเหมือนกับฆราวาสมันไม่ถูกนะเราต้องมีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ใช่ว่าเราจะพยองพองตัวไม่ใชเ่เราต้องรู้จักเอา ร, รู้จักการวางตัว เหมือนม้าอาชนะไนเมื่อคนทั้งหลายไม่รู้ว่าม้าตัวนี้เป็นม้าอะไรม้าตัวนั้นก็กินมดทั้งลาทั้งแก่ทั้งผักปุ้งเคืองยา ว, ยาวทั้งหญ้า ก, กัดกินในป่าแต่พอเขารู้ว่าโอ้ม้าตัวนี้เป็นม้าอาชไนนันน่นนี่ต้องหาอาหารที่ปลานี่ให้มันกินข้าวตอก ข้าวาลีข้าวชาลีทาเป็นข้าวต อ, อกครกด้วยน้ําผึ้งข้าวธรรมดาก็ต้องทาเป็นข้าวต อ, อกครกด้วยน้ําผึ้งน้ําผึ้งเดือนห้าอีกต่างหากแล้วกว็หญ้าก็นเนี่ยเอาแต่สามใบกรยอดสามใบกระยอดเพื่อให้ม้ากินม้าอาชนัยมันต้องกินอย่างนี้อาหารของม้าอาชะไนเนี่ยอันนี้คืออาหารของมา้า แต่สมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าม้าตัวนี้เป็นมา้าอะไรถ้าจะปล่อยยืนอยู่เฉยๆคอยให้เขาเอาคนงโง่ทงหลายคนไม่รู้เนี่ยอม้าตัวนั้นก็ตายท้องแห้งตายม้าตัวนั้นก็ต้องกินหมดทุกอย่างอไม่ใช่จะกินเหล็กกินหินกินปูนกินทรายอันนั้งกินไม่ได้กินหญ้าธรรมดาเนี่ยมันต้องกินอาหารของมันอาหารมา้าแต่ว่า พอเขารู้แล้วอ่ะนี่ม้าอาชะนายม้าอาชะนายก็ยืนเน่งเลยท่านพราเขารู้แล้วว่าข้าเป็นใครข้าจะไม่กินอย่างเหมือนแต่ก่อน่ะแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่าข้าเป็นม้าอาชะนายข้าต้อกินทุกอย่างแต่บัดนี้พวกท่านทั้งหลายรู้ว่าม้าข้าเป็นม้าอาชะนายแหพวกท่านทั้งหลายต้องหายของที่เป็นม้าอาชะนายมาให้ข้ากินฮะนี่แหละ อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านโทษท่านตรัสเป็นชาดกให้พวกเราได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือให้รู้จักการวางตัวของพระบัดนี้เราเป็นพระบวชมาในพระพศาสนาเป็นสักกายบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้ามีศีลและวินัยมีศีลสองอ่สิบเจ็ดศีลมาในพระปฏิโมกศีลอภิสมัยจารศีล น, นอกพระปฏิโมก ควรจะอยู่ในศีลและวินัยอย่างไรนี่แหละในเมื่อพวกเราอยู่ในศีลและวินัยอยู่แคล้งอยู่ในหลักศีลและวินัยพี่น้องประชาชนศรทัทธาญาติโยมเขาเห็นเขาก็นับถือเลื่มใสเพราะว่าพระอยู่ในศีลเมื่อนกับม้าอาชนาอยู่ในกฎของม้าอาชนาอย่างนั้นน่ะเขาก็ต้องให้ความเคารพแต่ถ้าว่าพวกม้าอาชนาไม่รู้อะไรกินสเปะสปาไปเรื่อยเขาก็ไม่ให้ความเคารพเพเผลอเขายัางแส้หวดอีกต่างหากทั้งที่ตัวเอง มีคุณภาพเออม้าอาชนัยมีคุณภาพอย่างไรท่านบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกท่านว่าเป็นม้าพิเศษเออถ้าหากว่าใครได้ม้าอาชนายัยครอบครองแล้พระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นแปลว่า เ, เป็นจักรพรรดิเลยละ่ะเออเป็นผู้เก่งกว่าหัวเมืองต่างๆเพราะม้าตัวนี้เป็นม้าที่วิ่งเร็วมากขนาดวิ่งธรรมดาเนี่ย อขนาดเอาผ้ามัดไว้ที่พุงเอาผ้าแดงอมัดพุงเอาไว้เนี่ยเวลามา้าม้ามันวิ่งนี่เห็นแต่ผ้าสีแดงไม่เห็นมา้าไม่เห็นคนเห็นสีแดงแมปแมปแม ป, แมปวิ่งรอบขนาดนั้นแหละขนาดใครจะไปยิงถู ก, ลกเลยจะนี่ยมันเร็วขนาดนั้น เ, นเพราะฉะนั้นเวลาจะฉวยจับพญาหัวเมืองต่างๆที่นั่งม้าอยู่เนี่ยหิ้วแขนหิ้วคอเลยนะ่ะไปเลยนะ นี่แหละอันนี้แปลว่าถ้าใครได้ม้าอาชนายเนี่ยเป็นพาหนะแล้วก็เลิศประเสริฐเพราะฉะนั้นจึงบอกม้าอาชนายเป็นมาที่ประเสริฐนี่แหละอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าหรือศีลพวินัยของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในจุดนี้ เ, นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในยูนิฟอร์มนี้ เราควรปฏิบัติตนอย่างไรอั น, นให้วางตัวให้ถูกนะถ้าวางตัวไม่ถูกนะเขาดูถูกนะจะไม่ไม่ใช่เขาดูถูกภ้ากอผ้าขอนะถ้าดูถูกจะมีอะไรแต่ดูถูกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดูถูกภากาสาวพัดดูถูกยูนิฟอร์มเนะี่ยมันเสียศักดิ์ศรีนะผู้ที่มีศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีเว้นเสียะองค์นั้นไม่มีศักดิ์ศรีหลุดลุยไปหมดนะ คือเหมือนกับหมาขี่เลือเน่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีเขาดูถูกยัางไงาก็ไม่มีศักดิ์ศรีเพราะอะเพราะตัวเองเออไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีหลักพระธรรมวินัยอยู่ในตัวเอง เ, ออเหมือนกับหมาขี่เลือเน่ยดูถูกยัางไงาก็เหมือนหมาขี่เลือเน่ยเพ้อเพ้อทำให้หมูเสียหายอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเรานะให้รักษาวงรักษาวงการรักษาวงของพระพุทธศาสนารักษาแหล่งน้ําที่สะอาด บอ่อน้ําที่สะอาดอย่าไปเอาขี้โลภขี้โกรธขี้หลงโยนลงไปถ้าหากว่าพวกเราเอาแต่ของเร็วๆของเสียหายลงไปทําให้แหล่งน้ำนั้นสกรปรกได้นะการขอให้พวกเราทุกพวกองคนาพูดทางนี้ทั้งนั้นเป็นการบอกกล่าวย้าเตือนให้พวกเราให้สํานึกตนไว้อยู่เสมอเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรเราหวังอะไรเราต้องการอะไร เรามีความมุ่งหวังมุ่งหวังอะไรเราต้องการพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารจะไม่มาขอเวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นใช่ไหมและการกระทําของเราที่เราทำพวกนี้มันเข้าขายไหมแหมมันเข้าขายที่เราจะเป็นพระที่อยากจะพ้นทุกข์ไหมเ้ยสิ่งเหล่านี้ก็ข อ, ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร